เอาเดี๋ยววันนี้สนทนากันต่อแต่คงจะต้องเปลี่ยนประเด็นไปเรื่องหนึ่งนะที่อยากจะสนทนาให้เป็นในพระสูต ร, ตรหนึ่งก็คือในจุฬาสัจกสูตรว่าด้วยสัจการนิครนสูตรเลยในจุฬาสัจการสูตรเนี่ยพูดถึงในเรื่องของสัจการนิคนถามว่าสัจการนิคนเนี่ย เป็นไข่มิเราแบบพอเป็นตัวอย่างเป็นประเด็นให้ให้เกิดความเข้าใจนิดหน่อยศาสตราจารนิครณเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากเป็นคนมีทิฐิสําคัญตอนนี้ว่าเป็นคนที่มีปัญญามากพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยสนทนากับศาสตราจารย์นิครอยู่สองสูตรใหญ่ๆด้วยกัน มีจุฬาสัจการสูตรกับมหาสัจกาสูตรในพระสูตรสองพระสูตรเนี่ยมีความสําคัญมีความสําคัญเออราเล่าประวัตินิดนึงว่าสัจการนี้คนเป็นคนที่อวดตัวเองว่าเป็นคนมีปัญญามากเวลาไปหนะ้าที่ไหนก็จะใช้ <c oughs> เหล็กดามท้องตัวเองเหตุผลที่ใช้เหล็กดามท้องเนี่ย ได้มีการมีเหตุผลว่ากลัวด้วยความที่เป็นตนเองมีปัญญา ม, มากฉะนั้นถ้าไม่ดามเข้าไว้เดี๋ยวท้องแตกคือปัญญามันจะแล่นไปตามสรีระแล้วก็สามารถทำลายทำลายไอ้ท้องเนี่ยแตกขึ้นมาเพราะงั้นถึงขนาดนั้นฉะนั้นสจนัจจะนิคนยังมีความอวดและท น, นงตัวเองเป็นคนมีทิฏฐิแปลงแล้วก็มันนะยกตนชูตนเปรียบเทียบตนยิ่สูงมากถึงขนาดบอกว่าอย่าว่าแต่ตชอบโต้วาทะ เหตุผลก็เพราะว่าพ่อของสัจการนิคนเนี่ยเป็นนิคนเป็นน anyway> ิคันเป็นนิคนเป็นนิคันถาแม่นั้นเป็นนิคันถีผู้หญิงก็เปยนนิคันถีสองคนเนี่ยเป็นคนมีปัญญาทั้งคู่พ่อกับแม่นี่นะแล้วก็เที่ยวโต้วาท่าโตชมพูทวีปก่อนแล้วอยู่ต่อมาทั้งสองคนเนี่ยทั้งนิคนที่เป็นผู้ชายกับนิคนขึ้นคันถีที่เป็นผู้หญิงมาเจอกันพอมาเจ้าเอะกันก็โต้วาท่ากัน เพราะันมีคนฟังเนี่ยโต้ว่าท้ากันหยุด7วันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะทีนี้พระเจ้าแผดินในยุคนั้นก็เลยว่าโอ้โหอนี้มีปัญญากันทั้งคู่เลยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอยากกันนั้นเลยก็เลยจับไปสอคนเนี่ยมาแต่งงานกันซะเลยพอแต่งงานออกมาก็เนี่ยมีลูกหลายคนเละหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยนี่คนเออสัจการนี่คนนี่แหละฉะนั้นสัจการนี่คนเนี่ยพอเกิดมาแล้วด้วยความที่งเป็นผู้มียีนเป็นคนที่มีพ่อแม่ดีที่ถีมีปัญญาดีนี่แหละ ยิงเที่ยวโต้ ว, วาทากับคนชนะคนไปทั่วเลยว่าั้นเถอะบรรดาเจ้ารัฐที่ที่ไหนเวลาไปโต้แล้วโต้ ว, ต ว, วาทากับใครเนี่ยไปโต้กับใครเนี่ยคนนั้นล่วงหมดแล้วว่างั้นเถอะพอทราบข่าวพระเจ้าเสด็จมาที่เนี่ยที่ลิเชวิเนี่ยที่แคว้นว่าชีเนี่ยตอนนั้นพระเจ้าประทับอยู่ที่กูตาคารสาหราป่ามาหาวันเนี่เนี่ยกรุงสาวกรุงเวสลีเนี่ยสัจจการที่คนเนี่ย ที่อยู่ในกรุงสา น, น, นินิคนนิคันธทบทุเนี่ยที่ใส่อยู่ในกรุงเวสารีนี่ยเป็นนักโตวาทะก็ยกตนว่าเป็นบัณฑิตชนจํานวนมากก็ยกย่องมาเป็นผู้มีเาเรียกมีลัทธิดีและที่ก็คือมีการมีความเชื่อมีความรู้มีความเข้าใจดีๆก็กล่าวปาใสายในที่ประชุมในกรุงเวสาลีบอกว่าเราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ถึงผู้มีปริพานธ์จนว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะที่ตัดสุรู้ได้ด้วยเป็นผู้ไกลจตเกลเอเมื่อโต้วาทะกับเราแล้วจะไม่ประมาจะไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวจะไม่มีเหงื่อออกจากรักแร้ว่าไงหากเราโต้วาทะกับต้นเสาที่ไม่มีใจขนาดต้นเสายังหวั่นไหวเลยนี่คุยขนาดนั้นเลบอกยลยว่าจะไปโต้วาทะกับมนุษย์เลยขนาดต้นเสาเนี่ยเสาหินเนี่ยปักเข้าไว้ในกระดิ่เนี่ ย, นนยแม้เราโต้วาทะกับเสาหิน เสาหินยังสั่นสะเทือนเลยเจ้าป่วยกล่าวไปใหญ่กับการที่วิโตวัฒหกับมนุษย์หรือบุคคลทั่วๆไปที่พอได้ยินข่าวพระเจ้าประทับที่กูตาคาสาราป่ามหาวันแล้วเกียรติยศชื่อเสียงพระเจ้าเขาขาจรใช่ไหมแม้เพราะเหตุ น, นั้นพระเจ้าพราะองค์นั้นเป็นพระทหารเป็นผู้ไกลาจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ในพระองค์เองพระเจ้าถึงพร้อมในวิชา8จรณาสิเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถิฝึกบุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์หลายเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเนี่ยชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยเกียรติยศเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าพระธคุณคุณของพระพุทธเจ้าก็กระชอนแม้มนุษย์เทวดาทั้งหลายก็พากันกล่าวขานสรรเสริญกันเนี่ยมนุษย์ก็สรรเสริญเทวดาก็สรรเสริญพรหมก็สรรเสริญแม้ในกามประพรรูปประพรมและรูปภูมิเนี่ยก็สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยกระชอนไปทั่วทั้งพ ทีนี้พอพอสัจจการนิคนได้ยินนี่ยตัวเองก็มานะยกตนชูตนเปรียบเทียบตนขึ้นมาบอกว่าถึงแม้จะเป็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าผู้ไกาจือกิเลสถ้าโตวัฏาากับเราแล้วที่จะไม่ประมาวไม่สนทกสตานไม่มีเหงื่อออกจากแล้งั้นน่ยเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นแล้วก็มันมันบอกว่าหากเราโตวาัฏกับเสาที่ไม่มีใ จ, ใจิตใจมันยังตอบ มันก็ต่อโต้อตอบวาทะกับเราต้องประมาสทกสถานละหวันไว้ไม่จำเป็นต้องกับมนุษย์เลยเนี่ยคุยกับเจ้าทิจชยอย่างนี้นะขณะโ ต, ตวาทะกับต้นเสาต้นเสาอย่างวันว <c oughs> เ อ, อ้ในกรณีอย่างเนี้ยคนที่มีความคิดอย่างเนี้ย <c oughs> เขาเรียกว่าคนมีอะไรอิจฉาทิฐิอ่ะตัวไหนมีกำลังมีมานะเออมีทิฏฐิ ความเห็นผิดด้วยแล้วก็มีมานะนี่มีกําลังเอาพวกเราเรลองตัง้งใจดูที่เราเป็นคนแบบนั้นไหมมันจะมีมานะสองตัวเนี่ยมานะเฟื่องฟูกับมานะถดถอยเราเป็นกลุ่มไหนกลุ่มมานะเฟื่องฟูชอบยกตนชูตนเปรียบเทียบตนชอบอวดว่าเราเก่งกว่าคนนั้นเราดีกว่าคนนั้นเราหน้าตีดีกว่าคนนั้นเนี่ยเราเป็นอย่างเนี้ยหรือเราเออเราแย่กว่าเขาเราสู้เขาไม่ได้เรากลุ่มนี้ไหมกลุ่มมานะถดถอยหรือมานะเฟื่องฟู นี่ักษณะอย่างเงี้ย็สังเกตแต่สัจจการี่คนเนี่ยเป็นกลุ่มมาน่าเพื่องผูกเพราะว่าชนะคนมาเยอะจัดพอนึกถึงบริเจ้าพุบก็อวดเลยนี่เวลาที่จริ ง, รงพอพูดให้กระเจ้าฤทธิชุวิฟังอย่างนั้นแล้วตอนเช้าเวลาเช้าเนี่ยพระสัชชิพระสัชชีเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญญวกคีทั้งห้าใช่ไจะมีคนทัญญา ว, วาป่าพัทยะมานามาสัชช ในองคสุท้ายเลยที่ได้บรลุที่ป่ายิสิปุนาเมรุกัยวันจําได้ไหมผู้เจ้าแสดงธรรมประักกับวัฒนาสูตรแล้วต่อมาก็แสดงปากินอากาศเทศนาแล้วก็จบลงด้วยอนตัตตะคณสูตรปัญญวัคคีทั้ง5ก็ได้เป็นพป้าทหารใช่ไหมหนึ่งในพระปัญญวัคคีทั้ง5พระสชิให้สังเกตดูนะพระสชิเนี่ยที่สามารถไปที่เป็นอาจารย์ของภาษาลิบุตรที่ไปภาษาลิบุตรเห็นพระสชิเดินบินบาตใช่ไหมตอนนั้นราชครุ เดินบินทบาทตอนนั้นภาษาลีบุตรเนี่ยยังไม่ได้บวชแต่เป็นศาสตร์เป็นลูกศิษย์ของสัญชัยเวรพรบุตรพอไปเห็นพระพระอรชิเดินเดินบินทบาทด้วยการทํารวมเนี่ยเดินสายตาทอดต่ําอากัปเกลียสํารวมอินทรีผ่องใสตาหูสมบุกเิ้นผ่องใสสงบเฉียมเดินยืนเดินเดินเดินเนี่ย ท่านรู้ดีคนมีปัญญาเนี่ยงั้นถ้าค น, านมีปัญญาเขาดูเราปุ๊บเนี่ยแม้ท่านั่งเขาจะรู้แล้วเราเป็นคนจริญอะไร ulous. คนราคะเจริตจะนั่งแบบนี้คนโทสะเจริตจะนั่งแบบนี้คนโมหะจริตจะนั่งอย่างนี้คนวิตกจริตจะนั่งอย่างนี้คนศรัทธาจริตจะนั่งอย่างนี้พุ PD ทธิจริตด้านปัญญาจะนั่งอย่างนี้มันจะออกมาจากกิริยาท่าทางหมดเลยการยืนอย่างนี้การเดินอย่างนี้การนั่งอย่างนี้การนอนนี้การกินอาหารอย่างนี้ การพูดจาการใช้สายตาถี่หน้าแววตาทั้งหลายการสื่อสารเนี่ยมันจะบองบอกจริตของมนุษย์คนนี้มีความกำหนัดเป็นตัวตั้งคนนี้คนมีความโกรธเป็นเป็นเป็นเจ้าเรือนคนนี้มีความหลงเป็นเจ้าเรือนคนนี้มีความวิตกกังวลเป็นเจ้าเรือนคนนี้เป็นศรัทธาความเชื่อมั่นในในสิ่งที่ดีงามเป็นเจ้าเรือนคนนี้เป็นปัญญาเป็นเจ้าเรือนเนี่ยมันจะมีฐานจริตเป็นฐานตัวตั้งอยู่นะเออภาษาอัุกฤษนี่ถ้าเป็นคนใฝ่เรียนไฝรู้ใฝ่ศึกษาอยู่จะเห็นปุ๊บเนี่ย คนเดินลกนักษณะนี้คือคนไม่มีราคาทาใจแล้วนี่คนสงบเสงี่ยมขนาดนี้คนแบบนี้เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยแข็งแรงมากมีการก้าวไปถอยกลับคู่เข้าเหยียดออกการแลการแลตรงแลเหลียวการยืนการเดินการนั่งการนอนการเนี่ยเห็นปฏิกิริยาเดินตามสังเกตสังเกตสังเกตใช่ไหมอย่างพวกเราเนี่ย เอา้าที่เราน่นๆอยูเนี่ยกลุ่มเดงเราเราได้มากเป็นจริตอะไรเนี่ยอา้าวราคะจริตหรือเปล่าชอบกําหนัดยินดีเพลิดเพลินหรือโทสะจริตหงุดหงิดง่ายโกรธหรือโมหจริตหลงไม่เคยรู้เรื่องมึงมึงมงงๆ ช, ช, ชอบเผลอชอบหลับหรือวิตกจริตคิดวิตกกังวลตลอดหรือศรัทธาจริตเชื่อมั่นในความดีหรือพุทธเจจริตเป็นคนมีปัญญา ไฟรู้ไฟเรียนไฟศึกษาชอบคิดชอบสอบสวนชอบวิจัยแย่ๆกลุ่มจริตอะไรอ่ะเห็นไหมว่าจริงๆเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลยอ่ะเช่นเราจึงมองคนไม่ออกมองคนอื่นไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนมีปัญญาไม่มีปัญญาอย่างไรใช่ไหมเป็นคนมีจริตประเภทไหนพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาการกินอาหารเนี่ย อาหารทนอาหารประเภทไหนที่ชอบ ừ, การปัดการกวาดการเช็ดการถูในห้องจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เรียบร้อยอย่างไรเนี่ยมันบ่งบอกถึงจริตหมดเลยนะแม้การนั่งฟังธรรมเนี่ยวันนั้นเดียก็บ่งบอกแล้วว่าคนจริตอะไรอย่างงี้เป็นต้นนั้นไม่ไมเจาะเข้าไปตรงนั้นแหละแต่เนี่ยพูดคร่าวๆก่อนเพราะไม่เรียนเรื่องจริตเดี๋ยวให้ศึกษาเรื่องอื่นที่เข้าใจก่อนแล้วจะเอาเรื่องจริตมาสอนมาแนะนําเราจะดูจากตัวเอง เมื่อรู้จักตัวเองเบ็ดเสร็จแล้วจะรู้คนอื่นด้วยถ้างั้นเราก็แก้ที่สายตัวเองไม่ได้แต่จริตเนี่ยจะเริมเปลี่ยนได้นะเพราะภาษาลิบบทเห็นอย่างนี้ปุ๊าบหมอฟาสจีเนี่ยโอ้โหคนนี้ไม่ทําไม่ธรรมดาแล้วก็ไปสังเกตตอนที่เห็นท่านฉันก็ไปพิจารณาพอสังเกตเวลาท่านฉันคนฉันแบบมีสติแบบฉันเป็นมุมมามีต่างกันไหมบางคนฉันที่มุมมามตักกินนี่ยังไม่หมดเลยยังเเคี้ยวไม่หมดเลยตักรอแล้วนี่ โมหะกินด้วยโมหะราค้าด้วยโอ้โหตาลอกแรกๆ ๆ, ๆๆอยากกินใหญ่เนี่ยอะไรอร่อยตกัตกตกักตักเนี่นยไในพิจารณาสติสมิชั ญ, ญาไม่ได้ทำงานเลยเป็นไงี้ไหมเนี่ยเวละเนี่ยพระสัจฉิท่านเนี่ยต่อมาแล้วก็สนทนาภาษาลิบุตรแล้วก็สามารถเทศให้ภาษาลิบุตรเป็นพระโสดาบันบยิ่เป็นอาจารย์ของภาษาริบุตรนี่ภาะสัจฉินี่แหละคองอันตราวาสกพรู้จักคาว่าอันตรวาสศพไหม พี่แจมมั้ยจีวรอุตตราสงอันตราวาสก์แท้จริงอ่ะพวกเรามีจีวรกี่ผืน3ี่สอะไรผืนนึงเรียกว่าสังฆติสองสมแท้จริงก็เรียกอันตราวาสกใช่ไหมเรียกอุตตราสงแล้วก็สังฆติทั้งหมด3ชิ้นเนี่ยก็เรียกจีวรทั้งหมดแหละ ก็เรียกจีวรทั้งหมดแหละแต่เราไปเรียกเป็นสบงใช่ไหมจีวรสังกติใช่ไหมเราไปเรียกจีวรเนีเยน่ยื้นเดียวที่จริงเรียกไตรจีวรเนี่ยก็แปลว่าจีวรสามชิ้น3อย่างใช่ไหม น, นสบองก็เรียกจีวรแต่าไว้สาหรับนุ่งเขาเรียกอันตราวาสุุตราสงเนี่ยเาไว้หม่มใช่ไหมเอาไว้หม่มก็คือจีวร น, นี่นแหละแต่เรียกอุตราสองส่วนสังกติเนี่ยเป็นผ้าทาบ เป็นผ้าทาบแต่ประเทศไทยเราเป็นอากาศอากาศร้อนก็นเลยมาพาับๆๆเอามาพาด์บาสนี่ใช่ไหมแล้วผ้ า, าสันสติไว้ใช้ถึงกับหน้าหนาวไงเวลาอากาศเย็นๆอากาศหนาวก็หด่นซ้อหดซ้อซ้อนอนีก่พื้นนี่จะได้อุ่นอะไรเงี้ยแท้จริงทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าจีวรก็ไตรจีวรมีสามชิน้นก็สันสติก็คือจีวรพับๆๆก็คือจีวรนั่นเองนี่นั่นแหละโบล้าสมัยก่อนนี่เขาไว้ห่ม ผมซ้อนยามอาการหนาวมันจะมีเส้กระิก็คือผ้าี้ปครับผ้ายาวใหญ่กอนอันนี้ก็อุตราสงฆ์นั่นแหละท่านผ้าสชิฟครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรก็ไปบินทบาทแต่ก่อนเนี่ยเขาจะยังไม่ห่มผ้าก่อนใช่ั้มเขาจะพาดเดิน ก็จะเข้าหมู่บ้านก็ข่มเขาเลยนะผมก็เข้าหมู่บ้านเนี่ย <Yeah. S 2> จะเป็นลักษณะอย่างนี้นไปยังกรุงเวสารีเวสารีก็คือไปเวเวกรุงเวสารีเป็นเมืองหลวงล็ดแคว้นวัดชีในยุคนั้นคือเจ้าลิชวีเนี่ยเจ้าลิชวี่ะเป็นกษัตริย์มีอยู่เจ็ดเจ็ดพันกว่าคนเขาจะคัดเลือกกันใครขึ้นมาครองอย่าไปกระติกทัง สัจการนิครณ์เนี่ยคือนินครณน่าจะบุตรเดินเที่ยวเล่นอยู่ในกรงเวสาลีเห็นพระสัชชิเดินอยู่แต่กไกลก็เข้าไปหาแล้วก็ทักทายพลอยลึกถึงกันกปุ๊บนั่งนาที่สุความส่วนข้างหนึ่งได้ถามว่าท่านภาสัชชิพระสมมนาคโคดมแนะนําสาวกอย่างไรและคําสอนของพระองค์ที่ทรงแนะนําสาวกด้วยมากเป็นอย่างไรถามเลยถามถึงพุทธเจ้าพระสัชชิภาะสัิเป็นสาวกพุทธเจ้าใช่ไหมก็เลยถามว่าพระสมณโคดมเนี่ยแนะนําสาวกอย่างไร และคําสอนโดยส่วนมากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระสาเนาโคดมแนะนําสาวกโดยมากเป็นอย่างไรท่านพระอสัสสชก็ตอบว่าพระผู้มียภาคเจ้าทรงแนะนําสาวกอย่างนี้ว่าและคําสอนของพอระองค์ที่แนะนําสาวกโดยส่วนมากแนะนําว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่อัตตาเวทนาไม่ใช่อัตตาสัญญาไม่ใช่อัตตา สังขารไม่ใช่อัตตาแล้วก็วิญญาณไม่ใช่อัตตาว่างั้นเถอะเออคำว่าอคิเวสนาเนี่ยเป็นชื่อโคดหรือสกุลนะส่วนชื่อตัวคือสัจกะสัจกะเนี่ยแต่ชาวอินเดียสมัยก่อนนิยมเรียกชื่อโคดเป็นหลักจะเห็นได้ว่าชาวอินเดียเรียกพระเจ้าว่าท่านพระโคดมหรือเรียกว่าพระโคธรมะ ไม่เรียกชื่อพระ อ, องค์ว่าสิท ธ, ธัตถะแม้พระเจ้าเองก็เรียกพระราชบิดาของพระ อ, องค์ว่าโคตมค า, ามเช่นเดียวกันข้อ น, นี้ยคล้ายกับการเรียกชื่อสกุลนี่แหละแต่ภาษาต่างประเทศเนี่ยก็จะเรียกนามสกุลก่อนด้วยคนต่างชาติเนี่ยก็เรียกงั้นก่ อ, ก อ, กอแต่วเวลาเขียนหนังสือาาเอานามสกุลขึ้นนั่นแหละเขายาวนั้นแหละของพวกเราก็ไม่นิยม พระริจ่าเนี่โคตมะโคดเนีโคตมะโคดมศาสตราการนิคนหรือนิครหน้าตาบุตเออนิครศาสตราการนิครทบุตรเนี่ยบอกท่านพระสชัชชิข้าพเจ้าฟังว่าพราะสมณโคดมมีวาท่าอย่างนี้ชื่อว่าได้ฟังความเห็นผิดของโ อ, โอ้เนี่ยแสดงเห็นชัดว่าพราะสมณโคดมยังมีความเห็นผิด ตงเข้าไปเลยบอกนีาา่ว่าวาศาสตาคท่านเนี่ยมีความเห่ผิดก่อนันเดอะทําอย่างไรก็พระเจ้าจะพบกับพระองค์และสนทนากันสักครั้งหนึ่งและจะได้ปลดเปลื้องพระสารมาลาโดมเนี่ยออกจากทิฏฐิชั่วนั้นได้เห็นไหมมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนเห็นผิดมีทิฏฐิชั่วไปเข้าใจผิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอัตตาเออเป็นเป็นอนัตตา ก็ไม่ใช่ตัวตนเอาลยทีเงั้นความเห็นของสัจจการนิคนกับความเห็นของเราตรงกันไหมรูปเป็นอัตตาหรือไม่เป็นอัตตาตอนนี้ปัญญายังไม่ถึงยังเห็นรูปเป็นอัตตาอยู่เป็นอัตตาใช่ไหมเป็นตัวตนอยู่ใช่ไหมเวทนาสุขทุกขเป็นเราสุขเราทุกไหมยังเห็นว่าเป็นเราสุขเราทุกไหมบางครั้งครับ ไอสัญญาคือความจําเนี yes, right. right. okay. also, ่ยค ar. mm ิด hmm. ว่าเราเป็นผู้จําได้หมายรู้หรือเปล่าใช่สังขารการปรุงแต่งที่เป็นบุญเป็นบาปเนี่ยคิดว่าเป็นเราหรือเปล่าเป็นผู้ปุงแต่งเนี่ยเห็นอย่างนั้นไหมเห็นเนี่ยคิดว่าเราเห็นไหมได้ยินเนี่ยใช่เราไม่ได้ยินเนี่ยได้กลิ่นริมรสสัมผัสหรือคิดนึกเนี่ยเป็นเราหมดเลยใช่ไหมฉะนั้นความเห็นของเรากับความเห็นของสัจจคติคนตรงกันหรือไม่ตรงตรง นั้นซาจการนิคนเนี่ยไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความผิดผิดนั้นอยากจะเจอพระพุทธเจ้าสักครั้งจะได้เปลื้องทิฏฐิชั่วออกจากใจของพระพุทธเจ้าไห้ได้ออกกันเถอะอีลลออสิป่ารบกับพระสัจฉิว่านี่ทำยังไงจะได้เจอสักครั้งหนึ่ง้าเจอจะได้ถ่ายถอนความผินผิดของพระพุทธเจ้าทิฏฐิชั่วออกจากพระพุทธเจ้าให้ได้เห็นไหมเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะเป็นครูอยากจะไปโตวาทะอยากไปสอนพระพุทธเจ้าเพื่อจะเปลื้องความผินผิดนั้นเพฮ้ยพวกาเรานี่แหละ เราก็เห็นด้วยความเป็นอัตราเห็นด้วยความเป็นตัวตนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยห่วงเลยะถ้าเราห่วงใช่ไหมแล้วนึกว่าเป็นของเราใช่ไหมเราไม่ห่วค่อยากให้มันเกิดอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ันนแหละบังคับแล้วนึกว่าเป็นของเราเราก็อายอายไหมแล้วนึกว่าเราเป็นเราหมดเลยนี่เป็นต้นดีนี่ซาเจกะ นิโครนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเจ้าฤาษีประมาณ500พระองค์ประชุมกันอยู่ที่หอประชุมเรื่กรณีบัตริตบางอย่างก็กูตาคารศาลาป่ามหาวันเป็นหอประชุมใหญ่อย่ที่เวสาลีปัจจุบันยังมีโครงเสาอยู่ครั้งนั้นสัจกาเนี่ยนิโครนเนี่ยก็เข้าไปหาฤาษยไปหาเจ้าฤาษยแล้วก็กล่าวกับเจ้าฤยยาษีว่า ขอเจ้าลิชชุยไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจักสนทนากับพระสัมมาโคดมถ้าพระองค์ยืนยันตามคําที่พระสชัชชีผู้เป็นสาวกที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งยืนยันแล้วข้าพเจ้าจะพูดแย้งถ้อยคําแล้วก็สุดกระชากลากไปมาเหมือนบุรุษที่มีกําลังจับแกะที่มีขนยาวที่ขนแล้วก็ฉุดกระชากลากไปลากมาอย่างนั้นบอกว่าแม้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้ายังยืนยันได้ว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกระแสชีวิตเนี่ยไม่ไม่ใช่อัตตาตัวตนเนี่ยเป็นอนัตตาแล้วเรานี่แหละจะไปจับกระชากเหมือนเนี่ยเหมือนคนเนี่ยไปจับแกะที่ขนยาวๆก็ลากไปลากมาอย่างนั้นเลยคือทำให้ไม่มีทางสู้เพราะงั้จะจะไปแก้ทิฏฐิโตตอบโต้ตตตวาทพุทธเจ้าหรือเหมือนบุรุษผู้มีกำลังจับแกะที่มีขนยาวเนี่ยลากไปหรือ เหมือนคนงานผู้มีกำลังในโรงสุราวางเสือรำแพนผืนใหญ่ในสระน้ำลึกแล้วเนี่ยก็จากที่มุมฟาดไปมาอย่างนะเขาเสือมวนม้วนม้วนม้วนนะอ่าที่มันเสือที่เปื้อนเปื้อนสุรานี่เสือมวนมๆนมนไปเสืเข้าไปที่ท่าน้ำฟาดเล่นเง้ยตุ้มตุ้มเลยถ้าไม่สะใจอ่ะถือล้าง ล้าให้สะอาดพ่างั้นเถอะปลเสือเนี่ยมันเปื้อนอยู่ไหมมันเหมือนว่าเออเนี่ยไอคนคนนี้เห็นผิดพรางั้นเถอะความเห็นผิดมันย้อมใจอยู่งั้นฉันจะไปโต้วาทะแล้วก็ไปชําระความเห็นที่มันเห็นผิดที่มันเห็นถูกให้ได้เหมือนจับเสือที่เปื้อนสุราไปฟาดเล่นในน้ำเหมืเนี่ยฟาดฟาดฟาดให้มันสะอาดอยากจะไปชําระความเห็นพระเจ้า โอ้โ ห, โหนี่อ้นี่แปลว่าทนองตนอย่างยิ่งใหญ่เลยหเนี่ยใช่ไหมโอ้โ ห, โหทนองตนอย่างยิ่งใหญ่เลยว่ากันเถอะหรือเหมือนนักเลงสุราที่มีกำลังจับถ้วยที่หูแล้วก็สลัดฟาดไปมาว่ากันเถอะข้าพเจ้าจะเล่นงานพระสมนาคโคดมเหมือนช้างวัยหกสิบปีลงสู่สะบกครณีที่มีน้ำลึกแล้วก็เล่นซักซักปาน คำว่าเล่นซากปานก็นคือนี่ลงไปในสาโบกก็ใช้งวงถอนเงาบัวฟาดเลยนี่ฟาดทำให้ชักบัวขึ้นมามีโคลนตอมเลยฝาดฟาดไมนสะอาดแค่นะนจะต้องการจะชาระความเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเออมีคนแบบนี้เห็นไหมเนี่ยคนเชื่อมั่นโดยยังอย่างเงี้ย เจ้าลิเชวีบอกไปด้วยกันวันนี้ข้าพระเจ้าจาักสนทนากับพระสัมนำโคดมในบรรดาเจ้าลิเชวีเหล่านั้นนะบางคนก็กล่าวว่าพระสัมนโคดมจะกล่าวแย้งถ้อยคําของสัจการได้อย่างไรที่แท้ท่านกลับจะต้องกล่าวแยง้งคําของท่านสัจการคนเป็นคนเช่นไรจึงอาจจะกล่าวแย้งพระพุทธเจ้าโดยกระเถียงกันเนี่ยนะทั้งนั้นสัจการ น, นิครนที่มีเจ้าลิเชวี500ร้อมล้อมเข้าไปยังกูตาคารศาราปล่าไปกันแล้ว งคิดดูนินหน้าเลยเตินนําหน้าแล้วก็มีเจ้าลิชวีเนี่ยห้าร้อยคนตามไปด้วยเยอะไหมโอ้ยขบวนยังใหญ่งานนี่งานโตวัฒนยิ่งใหญ่มากชีนี่เป็นการโตวัทะที่ยิ่งใหญ่สมัยนั้นภิกษุจำนวนมากกำลังจงกรมอยู่ที่กลางแจ้งครั้งนั้นสัจจการที่ครนเนี่ย ก็เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นที่จงกลมท่านพุทเจริญแบบนี้พระสัมมาคโดมพุทเจ้าอยู่นะที่ไหนข้าพเจ้าปรารถนาเฉพาะพระองค์ภิกษุเหล่านั้นก็ตอบว่าพระองค์เสด็จไปสู่ป่ามหาวันประทับพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึง่งเรียกที่วาวิหารนิสินโนก็คือประทับกลางวันคือประทับแล้วพักพักในเวลากลางวันที่วาวิหาร รำดับนั้นซาจกะเนี่ยนิครนก็พร้อมด้วยเจ้าลิุวีจํานวนมา ก, กไปสู่ป่ามหาวันถึงที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่แล้วก็ทักทยายพอให้ระลึกถึงกันแล้วนั่นที่ควรส่เจ้าลิุวีเหล่านั้นบางคนก็ถวายอภิวาทนะแล้วก็ทักทายบางบางคนก็ไปนมมือไหว้ไปทางพระพุทธเจ้าบางคนก็ประกาศ ช, ชื่อและโคดในสํานพระพุทธเจ้าบางคนก็นั่งนิ่งอยู่ ใชบางคนก็ต่างกันคนที่เป็นพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยบางคนก็บางคนก็กราบบางคนก็ไหว้บางคนก็ไม่ไหว้บางคนก็นั่งนิ่งเนี่ ย, ยทีนี้ศัจการนี้คนก็นั่งแล้วก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าขอถามพร ะ, ะโคดมถึงเรื่องบางอยา่างถ้าพระ อ, องค์ให้โอกาสที่จะตอบปัญหาแก่ข้าพเจ้าเนี่ยการขอโอกาสเนี่ยถามปัญหาเนี่ยเป็นมันยาก อันดีของคนที่มีศึกษาคนที่มีการศึกษาดีในสวนเดี ย, ยพวกเราเหมือนกันถ้าคนมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาเนี่ยเวลาจะถามปัญหาเนี่ยเขาต้องใช้คําว่าขอโอกาสขอโอกาสก่อนครับขยายยังไม่ใช่อยู่ๆพวดขึ้นมาถามเลยงี้ไม่ใช่ขอโอกาสครับนี่เนี่ถ้าเป็นพระเป็นเอ น, นไม่ขอโอกาสก่อนเป็นเป็นอบับดับด้วยนะพระอีกเป็นอนั้นต้องขอโอกาส ภิกษุเนี่ยนะแม้กระทั่งภิกษุผู้ต้องการจะโจดหรือทวงอาบัติก็ต้องขออนุญาตก่อนถ้าพูดโจดโดยไม่ขออนุญาตก็เป็นอาบัติทุกกฎนะเนี่แม้เรื่องที่พูดนั้นจะจริงก็ตามเป็นต้นเหล่านี้ก็ต้องขอโอกาสข อ, ข อ, ข, อขออนุญาตก่อนนี่เหมือนกันบอกว่าข้าพระเจ้าขอถามท่านพระโคดมถึงเรื่องบางอย่างเนี่ยราชการที่ควรถามพระเจ้าก็เลยตอบว่าอะคิเวสนาเห็นไหม เรียกสัจกะเรียกชื่อโคตรเรียกนามสกุลเชิญท่านถามปัญหาที่ประสงค์จะถามเถิดในการอนุญาตลักษณะนี้เขาเรียกว่าสัพพัญยุ ป, ปรวรณาก็คือการปรณาของพระพุทธเจ้าของพระสัพพัญญูผู้รู้ทุกสิ่งทุกผ่วทั้งปวงพระพุทธเจ้าจะสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าก็บอกว่าพร้อมที่จะตอบปัญหาทุกอย่างได้แต่ถ้าเป็น ภาษาวกทั่วไปก็จะพูดออกตัวว่าสุตวาเวทิสามิเราพึงเราฟังแล้วจักรู้ได้ไม่กล่าวคำนี้เหมือนเหมือนเหมือนพระเจ้าทีสัจกะนิครนก็ทูลถามว่าพระโคโดมแนะนำสาวกอย่างไรและคำสอนของพระองค์ที่แนะนำสาวกโดยมากเป็นอย่างไรเนี่ถามคำเดียวเคยเค ย, เค ย, เคยถามกับภาษาจีนี่นะพระเาก็ตรัสว่าเราแนะนาสาวกอย่างนี้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 ทำทั้งหลายทั้งปวงทั้งสังกัตธรรมและสังกัตธรรมไม่ใช่อัตตาเราแนะนําสาวกอย่างนี้และคําสอนของเราที่แนะนําสาวกโดยมากก็เป็นอย่างนี้เออผู้ได้ย่อก็ยืนยันเออทีนี้สัจจการที่คนก็บอกว่าทูลถามว่าขอให้ขอให้ข้าพเจ้าแสดงอุปมาถวายพระเจ้าก็ถามว่าเชิญอุปมาเถอะสัจจการที่คนก็บอกว่า พืชไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เจริญงอกงามไปบูนน่ยทั้งหมดนั้นต้องอาศัยอยู่พื้นบนดินจึงจะเจริญงอกงามไปบูนได้หรือว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลต้องทําด้วยกําลังทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยยืนอยู่บนดินจึงทําได้ชั้นใดบุคคลผู้เป็นบุรุษนี้ก็ฉันั้นมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอัตตาต้องดํารงอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงจะทำบุญและทําบาปได้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าท่านกล่าวว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอัตตาหรือไรสัจาจารยที่คนก็ทูลว่าข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้นจริงและหมู่ชนเป็นอันมากก็กล่าวว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาของเราคือสัจาจารยที่คนบอกว่าข้าพเจ้ากล่าวว่ารูปก็เป็นของเราเวทนาก็เป็นของเราสัญญาก็เป็นอัตตาของเราสังขารวิญญาณก็เป็นอัตตาของเรา เาะงั้น เ, อ, เออถ้าหากว่าท่านกัเลยอุปมาเนี่ยอุปมาลักษณะบอกว่าพันไม้ที่เขาเจริญก็างามไปบุนทั้งหมดนั้นก็ตั้งอยู่พื้นแผ่นดินจึงจะเจริญก็งามได้หรือว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลทำด้วยกำลังกายเนี่ยทั้งหมดนั้นบุคคลก็ต้องอาศั ย, ยพื้นแผ่นดินจึงทําได้ฉันใดก็หมายความว่าการงานทั้งหลายที่ทําก็ต้องอาศัยพื้นแผ่นดินใช่ไหมต้นไม้เวลาจะปลูกก็ต้องอาศัยพื้นแผ่นดิน ไอ้อรูปเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็ต้องอาศัยอัตตนี่แหละอาศัยตัวตนนี่แหละมันถึงจะเจริญเติบโตงอกงามได้มันถึงจะเปลี่ยนแปลงไปต้นได้ถ้าไม่มีอัตตาแล้วเราใครเป็นผู้ทำบุญใครเป็นผู้ทำบาปและถ้าไม่มีอัตตาแล้วใครเราเป็นผู้รับผลบุญรับผลบาปมันก็ต้องตัวมีตัวผู้กระทำแล้วก็ต้องมีตัวผู้รับผลการกระทำใช่ไหมแล้วศาสตราจารย์นิคอนก็เลยยือนอยันว่าไม่ใช่ ท่านเห็นคนเดียวแม้คนส่วนมากที่มาแม้คนทั้งหมดที่มาเขก็เห็นแบบนี้นะก็เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาเรามีความเข้าใจว่าเราเป็นผู้เดินเราเป็นผู้กินข้าวเราเป็นผู้อาบน้ำใช่ไหมเราผู้รับเราผู้อิ่มใช่ไหมเราเป็นคนด่าเราเป็นผู้ถูกด่ามันมีไหมมีตัวตนไปรับไหมมีตัวตนเข้าไปผู้สวยไหมมีมีมีตัวตนเป็นผู้ทํำไหมมีมี ไอเห็นแบบนี้ก็เรียกเห็นผิดหรือเห็นถูกผิดผิดได้ถูกผิดผิดได้ถูกต้อเห็นยังไงถึงจะเห็นถูกเห็นยังไงถึงจะเห็นถูกพออย่างเงี้หนูฟังไม่ไม่ถึงเลยหนูไม่เข้าใจแล้วเวาลาเรากินน้ําแค่เรากินไหม ใช่เราอิ่มไหมเราหิวอ่ะเห็นไหมเจอเจอประเด็นถ้าเราเจอสัสจการที่คนเราก็เวนตาวพวกเขาายไม่เวนหรอกนี่ไงเห็นได้ชัดเลยอะลากลากคนห้าร้อยเข้ามาเอียวครับพระรัช <c oughs> กาลหมู่ชนเป็นอันมาก แต่จกิกาณิคนก็บอกว่ามูชนเป็นอนมากก็กล่าวว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอัตตาของเราพระพุทธเจ้ากระตัสว่ามู่ชนเป็นอนมากจะช่วยอะไรท่านได้เห็ไม่ตอบตูมกลับมาจะช่วยอะไรเชิญท่านยืนยันคําของท่านถึงไม่ต้องไปชักคนอื่นมายืนยันพราเราสนธนากับท่านอยู่เห่นไหมชัดไหมเพื่อนยังอย่าลากประเด็นอย่าต่อประเด็นอย่าอย่า สัจการที่คนก็ทูลบอกว่าข้าพระเจ้าเท่านั้นกล่าวอย่างนี้รูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเราให้สัจการที่คนยืนยันเพื่อเราก็เข้าใจอย่างนั้นจริงจริงนะเราก็เข้าใจว่ารูปทั้งหมดรูปกายทั้งหมดเป็นอัตตาของเราเป็นตัวตนของเราถ้าใครมาบอกว่า ใครมาชมตาเราสวยผมเราสวยขนเล็บฟันหนังนิ้ว เ, เอ็นกระดูกเรางามโอ้โหตาต่าตัวตนกระพริบเลทีนี้เดีวสรุปตรงนี้กันว่ามนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยมันก็มีตัวความเห็นว่าเป็นอัตาตัวตวนติดตัวมาอยู่แล้วแต่พอมาถูกสมมุตินะมาตั้งสมมุติเนะี่ยมาเรียกพอโตโขึ้นมาหน่อยว่มาม่เรียกว่าแชมป์ มาเรียกว่าไนท์มาเรียกว่าบอมเป็นต้นมาเรียกว่าสถานเห็นไหมพอมาบัญญัติเรียกขานชื่อขึ้นมานางเข้านางเข้าก็มาบัญญัติว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นนักเรียนเป็นครูเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตายายยายก็ไปบรรญัติบรรยัติซ้อซ้อซอเป็นหมอเป็นคนไข้พอบรรญัติไปนางเข้านางเข้าก็เรียกว่าไปสําคัญว่ามัน จริงๆแท้ที่จริงเออสมมุติบัญญัติทั้งหลายเหล่านี้เขาสมมุติบัญญัติเพื่อเอาไว้เรียกขานกันมันจะได้มีงงจะได้ไม่หลงแต่มนุษย์ที่มึนที่โง่ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ชาญฉลาดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็ไปสําคัญว่ามันมีตัวตนมีอัตราเข้าไปสิงเป็นแก่นเป็นแกนอยู่จริงๆริงเห็นไหมแล้วบางทีเนี่ยอย่างราจการนิคคนเนี่ยเข้าใจเลย เขาไปเข้าใจว่ า, ารูปเนี่ยไม่เที่ยงเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแต่มันเป็นตัวตนอยู่มันเป็นแก่นเป็นแกนอยู่ถ้าไม่มีตัวอัตตาตัวตนอยู่แล้วเนี่ยตัวรูปประขันตัวเวทนาคือสุขทุกขเนี่ยสัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารการปรุงแต่งทั้งที่เป็นบุญเป็นบาป ว, วิญญาณคือการรู้อารมณ์ต่างๆคุณจะกมันจะเกิดได้ยังไงมันก็ต้องมีแก่นมีแกนเป็นตัวยึดอยู่ยึดโยงอยู่เป็นตัวสิงอยู่คอยคอนโทรนคอยบังคับบัญชาอยู่มันต้องมีอัตตาตัวตนตัวเนี้ย นัในภาษาศาสนาเนี่ยในหลักการันจริงเนี่ยอัตรามันไม่มีอยู่จริงมันเป็นสมมุติขึ้นไอ้ตัณหามันสร้างขึ้นทิฏฐิความมิจฉผิดมันสร้างขึ้นมานะมันสําคัญมันสร้างขึ้นไอ้กิเลสมันสร้างขึ้นว่ามันสําคัญว่ามันมีอยู่จริงต้องเข้าใจก่อนว่าเนี่ยสัจจการที่คนก็สําคัญว่ามันมีอยู่จริงนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้พระเจ้าทรงย้อนถามสัจจกะ ด้วยกรารอุปว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราจากสอบถามท่านในข้อนี้ท่านเห็นสมควรอย่างไรจึงตอบอย่างนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรก็เลยบอกว่าพระราชามหากษตรย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วเช่นกับพระเจ้าประสิทธิโกศลและพระเจ้าชาติโตเนี่ยเวยเจหิบุตรแห่งแคว้นมคตมีอำนาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบสมบัติของคนที่ควรริบหรือเนรเทศคนที่ควรเนรเทศในอาณาจักรของพระองค์ใช่หรือไม่ ถามเลยพระราชาเนี่ยพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลก็ดีพระเจ้าชาติศัตรูก็ดีเนี่ยที่เป็นใหญ่ในแคว้นมคตเนี่ยเออมีอำนาจไหมสามารถที่จะสั่งฆ่าคนที่ควรฆ่าริฟซัพย์คนก็ได้ในระเทศใครก็ได้มีหรือไม่มีมีอำนาจแบบนี้ไหมแชมปมีไหมพระเจ้าเปตรีมีอำนาจไหมไม่นี้ได้ไงพระเจ้าเปตรต้องมีอำนาจอยู่แล้ว นี่หนูฟังไม้เข้าใจนะเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินจะสามารถที่แจกสั่งฆ่าใครก็ได้ริบรัพย์สมบัติใครก็ได้ในระเทศใครก็ได้ออกจากประเทศนั้นก็ได้เพราะเขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเห็นไหมล่ะหรือคําว่ามูราธาพิเศษก็คือน้ําที่รดพระเสียรในงานราชาพิเศษหรือราชพิธีอื่นๆนมักศัลยการที่คนเขาถูกพระเจ้า อ, อุปมาถามนี้ปุ๊บ ก็ตอบบอกว่าทุนตอบว่าพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูลาทาพิเศษแล้ ว, ลวเช่นพระเจ้าประเสริฐทีโกศลหรือพระเจ้าชาตโิโรเนี่ยแห่งแคว้นมคตเนี่ยย่อมมีอำนาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบทรัพย์สม บ, บัติคนที่ควรริบหรือในรเทศคนที่คนรในปเทศในอาณาจักรของพระองค์ได้ถึงหมู่กษัตริย์ที่เป็นคณะปกครองเหล่าอื่นนะคือเจ้าฤทธิ์เจ้าเจ้าวัดชีเจ้ามัลละก็มีอำนาจฆ่าคนที่ควรฆ่าเหมือนกัน รีบทราบสมบัติคนที่คว ร, ริีบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศนจักของพระองค์เหตุใดพระราชามหากษัตริย์ดังกล่าวจะไม่มีอำนาจเล่าพระองค์ต้องมีอำนาจแน่และคนมีอำนาจเห็นไหมสัจจะที่คนยืนยันว่ามีไม่ใช่พระเจ้าประเศริฐีโกศลไม่ใช่พระเจ้าอาชาติสตรูเท่านั้นแม้เจ้าดิฉวีก็มีอำนาจแม้เจ้ามัลละเป็นต้นนี้ก็มีอำนาจแม่เจ้าไปดินทุกเมืองที่ปกครองประเทศอยู่ย่อมมีอำนาจในการที่จะฆ่าคนที่ควรค่า ลิมซับคนที่ควหรือในรเทศแน่นอนเพาะนั้นที่พระเจ้าพูดมานี่ถูกต้องพระเจ้ากระตัดถามว่าท่านเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตราของเราท่านบอกรูปเป็นของท่านเป็นอัตราเป็นตัวตนท่านสามารถควบคุมได้บังคับได้ใช่ไหมเพราะเป็นตัวตนเป็นอัตราของท่านนี่ ท่านมีอำนาจในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยบังคับได้ไหมเอาเลยสิทีนี้ไอ้หน้าเกลียนหน้าเกียดดำๆอย่างเงี้ยผมหยิกหน้าก้อคอสั้นเนี่ยลองคอนโทรมันหน่อยที่บังคับมันไม่ให้แก่ได้ไหมไม่เจ็บได้ไหมไม่เปลี่ยนแปลงได้ไหมขอให้ด้วยให้มันเป็นตามใจที่เราปรารถนาให้มันเป็นทำในบับงคับให้นคอนโทรได้ไหม ประคับใจทำไมได้มันเป็นของเราเนี่ยเหมือนเวลาชาถ้าเป็นเจ้าเป็นนินเนี่ย mm hmm. ก็ก็ฆ่าคนที่ควรฆ่าลิฟซัพก็ได้เนโรเทศก็ได้ก็เอา้ากระทาลูกมันเป็นของท่านเนียก็บังคับหรือย้ยายมันเปลี่ยน mm hmm. ย, ย่ายหรืย้ายมันเปลี่ยนทำได้ไหมเอา้ mm hmm. เอาไอ้มันอยู่อย่างนี้ mm hmm. ย้ายมันขยับ หมดขสิย้ายมเปลี่ยนย้ายมันย้ายเซลล์ในร่างกายมันเปลี่ยนนะย้ายมันแตกดับให้มันอยู่อย่างนั้นคอนโทร์มันหยุดนิ่ง ห, หยุดหยุดตัวคอนทรลงมได้ไงมันเป็นของเราเนี่ย ต, ตาอยากระพริบอยู่เนี้ยอยาเหลียวไปเลยมาให้มันอยู่อย่างนั้นคอนโทรมันหยุดนิ่งได้ไหม พอพู ด, พดนี้ปุ๊บนิสักรกาจักรกาพูดออกวาอย่างนี้นิ่งไหมจักรกันิ่งไหมนิ่งพระเจ้าปรถามอีกครั้งที่สองท่านเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรรูปเป็นอัตตาของเราท่านมีอาํานาจในรูปไหมบอกว่ารูปจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเมื่อพระเจ้าตรัส น, นี้นิ่งไปครั้งที่สองอีก อยากถามต่ออีกว่าว่าถามครั้งที่สามบอกว่าท่านยงตอบตพราะงั้นเธอผู้ที่ถูกแตถาคตถามปัญหาที่สมเหตุสมผลถึงสามครั้งแล้วไม่ตอบศีรษะของคนนั้นจะแตกเป็นเจดเสียงนี่ในคนพุทธิย่าเนี่ยว่าคนมีบุญเนี่ยโอ้เวลาถามปัญหาพุทธิยาเนี่ยไม่เคย ด้ด้วยกุศลกรรมที่ทํามาเวลาจะถามอะไรใครเนี่ยครั้งที่หนึ่งไม่ตอบครั้งที่สองทำไม่ตอบจะ ถ, ถามครั้งที่สามไม่ตอบ เ, เป็นศีรษะแตกไปเลนี่นี่นีคนมีบุญเป็นยังไงอย่างคนธรรมดาทั่วๆไปอ่ะอย่างพระจะเป็นดินนอาสมมติพระเจ้าเป็นดินเสด็จมาแล้วถามเด่นไม่ตอบถามมีโทษไปคนนั้น มีไม่มีโดนจัดการไหมครับบ้านอยู่ที่ไหนไม่ตอบบ้านอยู่ไหนไม่ตอบอุยุ่งเนี่ยอันนี้ยุ่งเลใช่ไหมเ <c oughs> นยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอนุภาพมากกว่าพระเจ้าอินทร์เาบอกขนาดนั้นมียักษ์เขาเรียกว่าวชิระปานีถือกระ บ, บองมีเหล็กไฟเนี่ยชดช่วงอยู่ในอากาศเบื่องน สัจกาณิคนที่หากเจ้าผู้นี้ถูกตัดถามเป็นครั้งที่สามถ้าไม่ตอบมันจะทบศีสายแตกจกิตเสิยงพระพุทธเจ้าตกับสัจกาณิคนเนี่ยท่านั้นมองเห็นยักษ์แต่เจ้าลิชวีย0ห้าร้อยที่มาด้วยไม่เห็นไม่เห็นยักษ์ที่กำลังถือกระบองเนี่ยพอสัจกิคนหน้าตาบวชไอน่ว่าเสลี์คอไป ไม่ใช่ใ น, นิครอนนะราชการ น, นิครอนพอเห็นปุ๊บยักษ์ทำท่า ย, ยกกระบองไฟลุกท่วม น, นั้นน่ะคานดุบๆกลัวไหมคานก็หาใครคานก็หาพระริจา้าคานก็หาพระริจา้าเออยักษ์ในที่เนี้นะเป็นรูปจำแรงของท้าวส ก, ก่าปลอมตัวเป็นยักษ์มาข่มขมูให้นิครอนพูดต่อปัญหาที่พระริจ้าต้างตัดใั้บุคคลอื่นเนี่ยมองไม่เห็น เพื่อเจ้ามียักษ์มาข่มขู่ไม่ได้ไม่เห็นศัจการนิคนเนี่ยในศัจการนิคนเนี่ยพระรยาถามว่าท่านเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในรูปว่ารูปของท่านจงเป็นอย่างนี้เธอจะได้เป็นอย่างนั้นเลยศาจการนิคนบอกว่าไม่ได้เป็นดังนั้นถ่ายความกลัวด้วยเพื่อเจ้าแต่ท่านจงไตรตรองเธอ ขั้นไตรตอนแล้วจึงค่อยตอบนะไม่ต้องตอบด้วยความกลัวให้ไข้ครอนก่อนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีอานุภาพหรือมีอำนาจในรูปไหนคอนโทรลรูปได้จริงไหมรูปประทับได้ไหมทั้งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดเป็นต้นหเหล่านี้ทั้งหาปุถุรู ป, ประอะไรทุกคนโทรได้ไหมว่าจงเป็นอย่างนี้จงนะจะเปลี่ยนแปลงนะจะแก่นะจะเจ็บนะ อยมีการเปลี่ยนแปลงว่ากันเถอะจงคนโดนถาวร อ, อยู่อย่างนั้นเพราะคําหลังกับคําก่อนหรือคําก่อนกับคำหลังของท่านมันไม่ตรงกันแต่ก่อนนั้นยืนยันมาตลอดใช่ไหมคุณยืนยันมาตลอดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยโดยเฉพาะรูปธรรมเป็นต้นเหล่านี้ว่ามันเป็นอัตตาตัวตนแล้วตอนเนี้ถ้ามาพูดว่ามันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น แล้วจะแปลว่าคําพูดมันกลับมันสรมันมันมันมันแย้งกันไหมคําพูดมันแย้งกันข้อที่กล่าวว่าเวทนาะท่านเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรก็ถามเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอัตตาของเราท่านมีอํานาจในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจงเป็นอย่างนี้เถิด อ, อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยถามว่ามีอํานาจไหมมีอํานา จ, นาจในเวทนาไหมในสุกเวทนาเวทนาที่เป็นสุขกมีอํานาจไหม ถ้ามีอำนาจก็ให้มันคงทนถาวรอยู่อย่างนั้นอย่าให้เปลี่ยนถ้ามีอำนาจในเวทนาเพราะเป็นอัตราของเราเนี่ยเป็นตัวตนของเราเนี่ยถ้าทุกเวทนาเกิดขึ้นนีให้มันสุขอยู่อย่าให้ทุกเวทนามันเข้ามาแล้วก็อยู่กับสุขเวทนาตลอดสิแล้วก็คอนโทรมันเลยบังคับมันให้มันสุขเวทนามันยืนยงตั้งแต่เช้าจนเย็นทําได้ไหมนั่งเนี่ยไม่ต้องมีขยับมันแล้วก็คอนโทรมันซะเลยให้มันสุขเวทนาอย่างนั้น ทำได้หรือไม่ได้มันเป็นอัตราตัวตนของเรานี่แม้สัญญาความจําก็เหมือนกันจําสิ่งไหนได้แล้วก็คอนโทรมันไว้บางทีอันไหนไม่อยากจําก็คอนโทรลรเลตทิ้งไปทําได้ไหมทำไได้แล้วไอ้ปุ้งแต่งไงจิตที่ปรุงแต่งชั่วคิดเรื่องชั่วๆทั้งหลายคิดไม่ดีทั้งหลายคิดเอาเปรียบคนอื่น ความเกลียดค้านความคิดเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยไอ้ความคิดอย่างเนี้ยมันก็เจอมันเกิดไปตามเหตุปัจจัยหรือมันคอนโทรให้มันเกิดได้หรือคอนโทรใมันหายได้ให้คอนโทรให้มันหายไปสิบังคับเลยไอ้ความรู้สึกเองมันนอนไม่ได้เนี่ยเห็นไหมล่ะมันเป็นตัวตนเราเนี่ยมันเป็นอัตราเนี่ยบังคับสิบังคับสิบบสมันก็เจอเห็นไหมทั้งหมดอันนี้เป็นไปตามเหตุ เราฉลาดเรารู้เหตุปัจจัยไหมถ้ารู้เหตุปัจจัยไปแก้ตรงเหตุปัจจัยมันก็มีปัญญาในการที่ไปแก้ที่เหตุปัจจัยมันได้มันก็สามารถเป็นไปตามเหตุปัจจัยฝ่ายดีหรือไม่ายติวิญตนเหล่านี้ได้ศาสตราารยี้คนก็บอกว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยว่าคอนโทรลไม่ได้ <laughs> พระเจ้ากระตัดว่าท่านจงไตรตรองเถิดการไตรตองแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนคำก่อนกับคำหลังท่านมันไม่ตรงกันแล้ว แต่ก่อนว่ารูปเบทานาสัญญาสำคัญยานเป็นอัตราเป็นตัวตนคอนโทรได้บังคับได้เนี่ยมันเป็นของเราไม่เป็นของคนอื่นเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านมากลับมามายืนยันอีกคำหนึ่งแล้วว่ามันบังคับไม่ได้แล้วมันไม่ใช่อัตราตัวตนแล้วมันขัดกันแล้วเดี๋ยวก็พูดคําก่อนกับคําหลัง<ำ>นี่คนหน้าจะวันก็พระพุทธเจ้าก็เลยถามบอกว่าท่านจงไตรตรองเถิดท่านไตรตรองก็จึงตอบว่าคําก่อนคําหลังคําหลังคําก่อนไม่ตรงกัน ท่านเข้าใจความข้อนัอ้นยางไรก็ถามว่ารูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงอารูปนี้เปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไหมรูปธรรม ท, ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไหมแต่ก่อนมันเด็กๆเนี่ยมันอยู่ในครันเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดไหมแต่เปลี่ยนแปลงขาขึ้นใช่ไหมเนี่ยมันเริ่มเจริญเจริญขึ้นนี่ก็เป็นอันนี้จังขาขึ้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเซลล์ในร่างกายมันแตกตับสื่อต่อตลอดจนมันค่อยๆขึ้นมาแต่อย่างเนี้ยค่อยๆลงอย่างเดี๋ยวนี้ ขาลงเลยไปอย่างขาลงเลยเนี่ยแต่มันเปลี่ยนแปลงมันตลอดผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในดินน้าไฟลมในนั้นน้ำเปลี่ยนตัวมันเองตลอดรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงบางครั้งให้มันเที่ยงได้ไหมอันตัวเป็นตัวตนหรือไม่เป็นตัวตนเป็นอัตตาหรือไม่เป็นอัตตาไม่มีอัตตาอัตตามีอยู่จริงที่ไหนแล้วมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นไปตามสภาวะเราจะรู้หรือไม่รู้เขาก็เป็นของเขาอย่างเนี้ย เพื่อทถามเงี้ยก็ถามต่อไปบอกว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสิ่งใดไม่เที่ยงบอกเป็นทุกข์ทไมเป็นทุกข์เขามันเป็นทุกข์นี่แปลว่าอะไรรูปมันเป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่ใจเราเป็นทุกข์นะแปลว่ามันเบียดเบียนบีบคั้นมันขัดแยง้ง มันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะเขาเรียกเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นสุขหรือถ้ามันไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในสภาพเดิมเดิมมันสิไอ้มันไม่เที่ยงนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็บีบกดดันขัดแย้งแล้วมันก็อยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่เป็นทุกข์พระบุญยาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเป็นผันแปรเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่ารูปนี้ ของเราควรไหมที่จะพิจารณารูปนี้ของเราควรหรือไม่ควรไม่ควรมันจะเป็นควรได้ยังไงล่ะรูปนี้เป็นเราควรไหมรูปนี้เป็นอัตราตัวตนของเรามันจะควรตามเห็นว่าควรตามเห็นด้วยตัณหาไหมว่าว่ารูปนี้ของเรามันเป็นของเราเนะ่หรือเราใช่ไหม รูปนี้เป็นเรามันควรไหมหรือรูปนี้เป็นอัตราตัวตนของเราไม่ควรสิ่งใดมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มันแปลปวนเป็นธรรมดามันควรไหมที่เราจะไปตามเห็นไม่ควรตามเห็นว่ารูปนี้ของเรารูปนี้เป็นเรารูปนี้เป็นอัตราตัวตนของเราศสัราการย์นี่ค้นกระทุนแต่ว่าไม่ควรเลย พระเจ้าก็ถามต่อไปบอกว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัจจการที่คนก็บอกไม่เที่ยงพระเจ้าถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสัจจารทคนบอกเป็นทุกข์พระเจ้าตราสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้ของเราเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้เป็นเราเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้เป็นอัตตาตัวตนของเราสัจจการที่คนก็ทูลบอกว่าไม่ควรเลย พราแต่ว่าท่านเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรผู้ใดติดแน่นเข้าถึงกรำกลืนทุกแล้วยังพิจารณาเห็นทุกว่าทุกนี้ของเราทุกนี้เป็นเราทุกนี้เป็นอัตตาของเราผู้นั้นจะกำหนดรู้ทุกได้เองหรือจะทำทุกให้หมดสิ้นไปได้หรือไม่นี่คนน่นารรือจะมีได้อย่างไรมีไม่ได้เลยเออตรงนี้เข้าใจไหม เข้าใจไหมบอกว่าผู้ใดติดแน่นเข้าถึงกล้ามกืนทุกพวกเราเนี่ยมันติดแน่นไหมกล้าม ก, กลืนกล้ามกืนทุกเราไปติดแน่นไปสำคัญว่ามันเป็นของเราใช่ไหมและไปสำคัญว่าเราทุกเราสุขเนี่ยไปสำคัญอย่างนั้นแล้วเนี่ยแล้วไปเปติดแน่นไปเห็นด้วยความว่าเป็นอัตราเป็นตัวตนของเรา แล้วแล้วไปยึดมั่นถือมั่นขนาดนี้บุคคลชนิดเนี้ยนะบุคคลชนิดเนี้ยจะสามารถพิจารณาบุคคลชนิดเนี้ยจะไปสามารถพิจารณาเห็นทุกข์ว่าทุกข์นี้ของเราทุกข์นี้เป็นเราทุกข์นี้เป็นอัตตาตัวตนของเราเนี่ยบุคคลจะกําหนดรู้ทุกขตัเองหรือจะทําที่ทุกข์ทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ไหมคนที่ยังยึดมั่นถือมั่นขนาดนี้ จะสามารถเข้าไปเห็นความจริงของสังขารได้ไหมไม่ได้นั้นเขาไม่สามารถที่จะไปตามเห็นได้หรอกเพราะเขามีทิฏฐิมีมานะมีตัณหาที่ไปยึดว่ามันเป็นอัตตาตัวตนมันเป็นเราอย่างติดสมมุติอย่างรุนแรงขนาดนั้นเน่ยเขาจะมีปัญญาที่ไปพิจนารณาแยกแยะเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นได้ไหมไม่ได้นี <c oughs> ่เป็นต้นสัจการที่คนก็ทูลบอกว่าไม่มีเลยว่าไงพระเจ้าบอก บุรุษผู้ต้องการแก่นไม้ก็เที่ยวสแสวงหาแก่นไม้ถือเอาผึ่งไอ้พึ่งสมัยก่อนก็คือจอบหรือมีดเหมือนเหๆไอ้ที่ที่คอยถากไม้เป็นวัตถุชนิดหนึ่งเข้าไปสูป่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งแล้วก็มีมีต้นตรงก็ เ, เห็นต้นกล้วยใช่ไหมที่กําลังรุ่นแนละยังไม่ได้ออกปรีเลยนะก็ตัดต้นไม้นั้นที่โคนต้นแล้วก็ตัดยอดก็กรลิดใบออก ไม่พบแมไม่พบแม้แต่กระพี้แล้วจะพบแก่นได้อย่างไรชั้นใดท่านก็ชั้นนั้นบอกนั้นเถอะถูกเราซักไซร์ไล่เลียงสอบสวนในวาทาของตนเองก็ว่างเปล่าแพ้ไป <S <S ไม่มีเลยเหมือนท่านไปสแสวงหาแก่นไม้ถือถือมีอถือจอบถือพึง่งเหมือนจอบนั่นแหละก็าไปก็ไปตัดไปตัดต้นกล้วยตัด ลำต้นด้วยตัดยอดด้วยแล้วก็ลอกลอกลอ ก, ลอกดูยเนี่ยใหญ่ว่าจะแกนเลยแม้กับพี่ก็ไม่มี <c oughs> เหมือนกันในวาทฆของท่านที่ไปยึดว่ามีอัตราตัวตนเป็นวาทฆที่ว่างเปล่ามันไม่มีอยู่จริงอัตราไม่มีอยู่จริงตัวตนไม่มีอยู่จริงฉะนั้นพอถูกเราซักไซไล่เลียงเบียเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีเลยว่ามันมีอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ในรูปก็ไม่มีอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มี เพราะงั้นซักไซส์ไล่เลียงไปเนี่ยมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอัตราตัวตนเป็นสิงเป็นแก่นเป็นแกนอยู่ในกระแสชีวิตจริงเลยเหมือนคําว่าแชมป์ไนคำว่าบอมเนี่ยมีอยู่ที่ไหนแล้วมันไปอยู่ที่หูหรือไปอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหรือไม่มีไล่ไปที่ไม่มีมันสมมุติขึ้นแต่คนโง่คนไม่ฉลาดก็สําคัญว่ามันมีอยู่จริงมันอยู่ในความสุขความทุกข์ที่ไหนไม่อยู่ในจิตที่บุญเป็นบุญ เ, เป็นบาปไหม ไม่อยู่ที่การเห็นการได้ยินมันไม่มีอยู่จริงหรอกเอสสมมุติขึ้นอัตราก็สมมุติขึ้นมันไม่มีอยู่จริงพล้วก<อ>ันเถอะพอมองเห็นไหมครัะฉะนั้นเราอยู่ในโลกสมมุติหลงสมมุติติดสมมุติสำคัญว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราบางทีก็ไปบอกว่าเราอยู่ในรูปรูปอยู่ในเราเราเป็นรูปรูปเป็นเราเราอยู่ในเวทนาเวทนาเป็นเรา เราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราเราอยู่ในสัญญาปเป็นต้เนเหล่าเนี้เป็นสําคัญว่ามันเป็นแก่นอัตตาตัวตนเป็นสิงอยู่สิงอยู่ในรูปในนามสิงอยู่ในกายกับใจเนี่ยเป็นสําคัญอย่างนั้นแท้จริงมันว่างเปล่าไหมมันไม่มีอัตตาตัวตนเป็นสิงเป็นแก่นเป็นแกนอะไรเลยเขาเรียกว่าสมมุติขึ้นมาแค่นั้นเองตั้นหามันสมมุติขึ้นมาแล้วเราจึงมีความพอใจไม่พอใจเวลามีคนมากระทํากับกระแสชีวิตนี้แล้วก็โอ๊ยพอใจ มีคนมากระชมว่าดีๆแล้วก็ บ, บ้าบ้ายอมีใครมาด่าแล้วก็โกรธเขาเออชีวิตอยู่โง่ๆอยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรเลยไม่มีปัญญาก็ไมเห็นความจริงอะไรเลยว่าเั้นเถอนเหมือนกันพอซักซักไปจริงๆไม่มีอยู่จริงหรอกแล้วถูกสอนถูกอบรมมาแบบผิดๆแล้วก็ไปสําคัญว่ามีอยู่จริงใช่ไหมแล้วติดแน่นแล้วตอนนี้ ไม่ยอมไม่ยอมบ้างชอบใจไม่ชอบใจก็อยู่แค่นั้นเองเพราะเป็นสำคัญผิดมองเห็นได้ยังเดี๋ยวนี้เริ่มไปเห็นนิดนิดไหมเห็นยากไหมเนี่ยไม่ยากเนี่ยเราเป็นสำคัญผิดมันพอสำคัญว่ามันมีเรามีอัตราตัวตนของเราเป็นแก่นเป็นแกนสิงอยู่แล้วมันก็เลยมีของเราเอาเลยเดี๋ยนี้เนี่ยไปเยอดแยะแวนของเราเครื่องอัดของเรา เสื้อผ้าของเราบ้านของเรารถของเราทรัพย์ของเราพ่อของเราแม่ของเราบุตรภรรยาของเรา <c oughs> ก็เรายังไม่มีแล้วของของเรามันจะมีไหมเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงจะ่ป็นสมมุติขึ้นสมมุติขึ้นเพื่อจะได้ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ถูกจะได้ไม่หลงสมมุติแล้วเราก็ไปติดอีกถ้านอนตรงนี้หลับได้ไปนอนตรงนั้นหลับไม่ได้นอนตรงนี้สบายไปนอนตรงนั้นไม่สบายใช่ไหมติดอะไรติดอะไรเนี่ย ติดสมมุติติดดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาบางทีก็ไปติดเสียงติดสัทธาลมบางทีก็ไปติดรูปคือสีบางทีก็ติดเสียงบางทีก็ไปติดกลิ่นบางทีก็ไปติดรสเปรี้ยวหวานมันเค็มบางทีก็ไปติดผดผ้าบางทีก็ไปติดบัญญัติหรือไปติดตัววิตามินมื่อกติดบัญญัติที่ชื่อนู้นชื่อนี้โอ้โหมื่นกันทั้งโลกเลยแต่เนี้ยมื่นไม่มื่นเนี้ยไม่มีอยู่จริงอะไรเลยเนี่ย ฉันเป็นไหมหลงสมมุติไหม่หนูเนี่ยหลงไม่หลงฟังไม่เข้าใจนี่เนี่ยเข้าใจไหมฮะเข้าใจป่ะทีนี้พริจ่าบอกว่าท่านก็ฉันนั้นนะถูกเราซักไซ้์ไล่เลี้ยงสอบสวนในวาระของตนเองแล้วก็ว่างเปล่าแพ้ไปท่านได้กล่าวมาใส่ในที่ชุมชนในกรุงเวสตลีว่า เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นคณาจารย์ถึงผู้ปฏิญญาณตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสเมื่อโต ว, วาทากับเราแล้วจะไม่ประมาทจะไม่สะทกสะทานผู้เจ้าย้อนเลยผู้เจ้าได้ยินในที่พระโสตานี้เห็นไปคุยโม้อยู่เห็นไหมสัจจาที่คนคุยโม้อยู่ที่ข้า <c oughs> เจ้าที่ชุยไปคุยบอกว่าโอไม่เคยเจอสมณะพราหามณ์หรือเจ้าหมูเจ้าคณะใดๆเลยอบอกกันแต่แม้แต่บุคคลที่ปฏิญ ญ, ญ, ญ, ญาณตนเองว่าเป็นพระเจ้าเนี่ย เป็นผู้กายจักรเลนเมื่อโตวะท่ากับเราแล้วจะไม่ประมาจะไม่เสิรทศธาตุไม่หวั่นไหวหรือไม่มีเหงื่อไหลออกจากรักแล้หากเราโตวะท่กับต้นเสาที่ไม่มีจิตใจแม้ต้นเสาโตวะท่กับเราต้นเสายังประมายังสสทสธาตุยังหวั่นไหวไม่จำเป็นต้องกล่าวกับมนุษย์หรือโตวะท่ากับมนุษย์ว่าือนกันเดิมพระเจ้าอัคคีเวสนะหยาดเหงื่อบางหยาดของท่านหยดลงหน้าผากไปยังผ้าห่มแล้วตกลงถึงพื้นดูที่นี่ย เหงื่อของท่านเนะี่ยไม่ใช่ออกลักแล่อย่างเดียวนะีออกบนหน้าผากนะ่ะไหลออกมาแล้วก็เปียกเสื้อผ้าตกลงไปถึงพื้นเนะนี่ยนะว่างั้นเนี่ยพระเจ้าก็ยกจักแลให้ดูเลยแต่เหงื่อของเราไม่มีออกสักนิดเลย <c oughs> ไม่มีสักนิดเลยเราไม่เห็นมีเหงื่อออกสักหยดเลยว่างั้นเถอะไม่มีเลยว่างั้นโดยประการอย่างนี้พระเจ้าก็เปิดพระวรากายที่จุดสีทองที่ ท, ที่ชุมชนนั้นเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วสัจการที่คน น, นนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเ้าวหมดปฏิพันธ์หมดสภาพเลยเออพระเจ้าฤาษีมีเจ้าหนุ่มฤาษีชื่อว่ามุกขาดเนี่ยทุมมมุกขาเห็นสัจการที่คนเนี่ยนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบสาวอย่างนั้นนะหมดปฏิพันธ์พบอย่างนั้นแล้ว<ม>ก็ทุนว่าภาพว่า ขอให้ข้าพเจ้าแสดงโอปปามาถวายพระริจ้าหน่อยทุมะมุขาเชิญพระริจ้าบอกเชิญท่านทุมมุขาเชิญท่านแสดงโอปปามาเจ้าลิศวีท่านก็บอกว่าสระบกกรณีแห่งหนึ่งนะที่มีอยู่ที่ใกล้หมู่บ้านหรือนิครมเนี่ยในสระบกกรณีนะั้นมีปูอยู่ตัวหนึ่งมีปูอยู่ตัวหนึ่งนะเด็กชายหญิงจํานวนมากออกจากหมู่บ้านนั่นแลนิครมนั่นแลก็ไปถึงสระบกกรณีนะั้นแล้วก็ลงไปจับปูนั้นขึ้นมาแล้วก็วางไว้บนบก แล้วก็วางบบเออทีนี้ไอ้เด็กชายหนุ่มนั่นแหละแล้วก็วางบมันก็สายก้ามไปมาไปทางนนเขาก็พอเห็นไปปูเดี๋ยวนี้มันสายก้ามไปมาเป็นเด็กเหล่านั้นก็เอาหินบ้างเอาไม้บ้างต่อยทบทุบก้ามปูนั้นเ น, นีเอากระเบื้องเลยทบเมื่อปูนั้นอ่ะ ถูกหักกล้ามออกหมดแล้วก็ไม่อาจจะลงสู่สาโบกกรณีได้เหมือนก่อนไม่ชั้นใดไอทิฏฐิความเห็นผิดที่เป็นเส้ยนน้ำความเข้าใจผิดว่าเธออทิฏฐิชั่วร้ายที่เที่ยวกวาดแกงที่เป็นเส้ยนน้ำเนี่ยกวาดแกงบางอย่างของศัจ ก, การที่คลนเนี่ยถูกพระพุทธเจ้าเนี่ยหักโค่นลบล้างแล้วแบบนี้เขา จะไม่มาหาพระพุทธเจ้าโต้วาท่าอีกเพรางั้นหมดสภาพแล้วไม่สามารถจะมาโต้วาท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วเหมือนปูเหมือนเด็กเข้าไปนั่นน่ะไปจับโปูมาก็ใช้กระเบื้องทุบทุบทุบทุบทไอ้กามที่มันกางคอยชูเนี่ยถูกหักแล้วต่อไปหมดสภาพแล้วไหมเศรษฐกิจ <c oughs> คนเขาบอกว่า เมื่อเจ้าฤาษีผู้นี้าสตราจารย์นิคนก็บอกว่าเจ้าทุมมะมุคาเจ้าหยุดเถิดให้หยุดเดี๋ยวนี้ <c oughs> ชี้ไปบอกข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับท่านนะคข้าพเจ้ากำลังพูดกับพระโคตมต่หาก <c oughs> บอกให้หยุดศาสตราจารย์นิคนเนี่ยทูลว่าคําของข้าพเจ้าและสัม ṇ ะพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยจงหยุดหยุดด้วยก่อนคํานั้นเหมือนพูดเพ้อเจอ้อไม่เรื่องแล้วว่างั้นเถอะยาบล่าตัวเองแล้วแม้สัม ṇ ะพราหมณ์เหล่าอื่นนะ ไม่ว่าจ ะ, ะกกปูรนากัรสภามาคคิริโศสาระอชิตาเกสเกสกามพลปกุฎท่ากัจยนะ์นี่คนนาเถ บ, บุตรสนใจเวรปพุทธหมอ่สำนักพาหมณ์เราอื่นนึกเข้าไปเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนคนพูดเพ้อเจอ้อพูดไปเรื่อยๆหาสาล่าไม่ได้เหมือนคนมานั่งพูดเพ้อเจ้อที่คนคุยกันแบบไม่มีเหตุมีผลนะี่ยซึ่งเราเห็นกันในมุมในประชาชนในยุคปัจจุบันเนี่ยเจอหน้ากันก็พูดเพ้อเจ้อไหมขูดมีเหตุมีผลไหมจริงๆแล้วหาสาระหาแก่นสารได้ไหมสังเกตดูนะ เราไปเจอเพื่อนเจออะไรต่างแล้วสังเกตที่เขาฟังเจอพ่อเจอแม่ทั้งหลายที่เขาคุยกันคําพูดเหล่านั้นเน่ยเป็นคําพูดที่ประกอบด้วยเหตุผลไหมนําออกจากวัตถุกุ้มไหมชี้ปัญหาของมนุษย์ได้ว่าอะไรคือปัญหาอะไรเหตุของปัญหาอะไรมีความดับปัญหาอะไรเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับปัญหานั้นเขาชี้เหตุผลอย่างนี้ชัดไห ม, ไมนั่นก็เลยพูดเพ้อเจอพูดไร้สาระเอาเป็นหลักกินไม่ไรไม่ได้วิชาการที่เรียนกันที่สอนกันอยู่ก็เป็นวิชาหาข้าวกินไปวัน ไม่สามารถจะนําตัวนี้ออกจากสังสารวัตรออกจากทุกได้ออกจากปัญหาที่แท้จริงของมนุษย์ได้ว่ากันเถอะไม่มีสาระแล้วเศรษฐนิคนผู้ยอมรับเองเนะพอฟังนี้โผล่ขึ้นมาว่าคาพูดของสํานักพราหมณ์เหล่านั้นหรือคนเหล่าอื่นแม้ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคําพูดของคนเพือเจอ้าเนี่ยถ้าใครเข้าใจในสูตรนี้ก็จะเริ่มมองอะไรออกว่าโอ้เราไม่น่าอยากฟังเลยเนะคนที่มาพูดพํามพลัมพลัมพลั ม, ม, มไปเนี่ยแต่ละวันแต่ละวั น, แ ต, วนแต่ละวันเนี่ยทำไมก่อนเนี่ย อ, อ, อาจารย์จะเป็นคนฟังพูดคำเรื่องเหล่านี้ไหมล่ะฟังแล้วเพอเจ้อไม่เห็นมีปัญญาไม่มีสาระอะไรเลยพูดพร่ำพๆไปวันวันวันไม่ใช่ตื่นขึ้นมาอยู่กับปัญหาอยู่กับความทุกข์แต่ไม่รู้ว่าไอ้ความทุกข์นี่มันเกิดยังไงมันมาจากเหตุอะไรอะไรเนาะเป็นเห็นความทุกข์เหตุขอปัญหาแล้วก็จุดหมายว่าถดปัญหาเข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพ ของมวลมนุษยชาติจริงๆมันจะมันจะดีเลือดยังไงกับไม่ไม่มองตรงนั้นแล้วก็จะดลำลมฝึกฝนพัฒนาฝึกฝนปฏิบัติอย่างไรที่จะเข้าถึงความดับปัญหานั้นได้อย่างแท้จริงเนี่ยนั่นคำพูดที่นอกจากการกล่าวเรื่องของทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกพูดถึงปัญหาเหตุของปัญหาสภาวะที่ดับปัญหา หรือแนวทางข้อปฏิบัติให้เข้าถึงการดับปัญหาถ้าไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้เป็นคําพูดไร้สาระหมดเลยเนยีโดยส่วนใหญ่เราเป็นคนไร้สาระไหมเพ้เจอไหมอ๋อเค้เจ้อกันไปวันวันแล้วคาพูดอ่านี้น่าฟังไหมเน้อหรือวิชาการที่มันนอกจากนี้น่าเรียนไหมน่าไหมไม่ในน้าเรียนอะไรเลยเนย้ไม่น่าอยากจะรู้ด้วยตอให้รู้ร้อยภาษาแต่ตายแล้วตกตะลก แต่รู้วิชาการในการที่จะถ่ายภาพวิชาการวิทยาศาสตร์รู้ไปแล้วเสร็จเนี่ยไม่ถอนตนเองออกจากวัฏทักรรู้ไปทําไมไม่เห็นพิสาระอะไรตรงนั้นเลยมันขนาดนั้นนลยนะมีบทหนักไว้วะพระรยาตรัสว่าสาวกของเราในพระธรรมในนี้นะก็บอกว่าเอ อ, เ อ, อไม่ใช่สัจจการที่คนบอเหมือนผุดเบื้อเจอื่อทําอย่างไรสาวกของพระองค์จึงปฏิบัติตามคําสอนหรือไง ทำอย่างไรสาวกของพระองค์จึงปฏิบัติตามคําสอนเชื่อฟังพระโอวาสหมดความสงสัยสับสนในคําสอนของพ่อศาสดาแกล้วกล้าไม่เชื่อคนอื่นอืถามเลยเป็นไงเนี่ยใช่ไหมทําไมสาวกของพระเจ้าเนี่ยทําไมถึงปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าเชื่อฟังโอวาสของพระเจ้าแล้วหมดความสงสัยอย่างนั้นเถอะในคําของของศาสดาแล้วเป็นพวกแกล้วกล้ามากไม่เชื่อคนอื่นอีกต่อไปเชื่อในพระเจ้าเฉพาะอะไรพระเจ้ารูป พระพุทธเจสาวกของเราในพระธรรมวินัยนี้เห็นเบญจขันธ์ทั้งหมดเห็นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเนี่ยเห็นรูปขันธ์ทั้งที่เป็นอดีตนาคตปัจจุบันภายในภายนอกจาบละเอียดเร็วและปราณีตกลและใกล้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาณชอบอย่างนี้ว่ารูปนี้มิใช่ของเรารูปนี้ไม่ใช่เรารูปนี้ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราที่เห็นอย่างนี้ไงเมื่อเห็นอย่างนี้เบ็ยดเสร็จแล้วก็หมดความสงสัยใช่ไหมเห็นเบญจขันธ์เหล่านี้ เออพอฟังคําสอนคุณพระเจ้านี่แหละก็เลยหมดความสงสัยแล้วก็แกล้งกล้าไม่เชื่อว่าดืดเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าอะไรเพราะไปชําระปัญญาทําปัญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยชำระ ก, กิเลสให้ออกจากกระแสะชีวิตเลยไปเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตนะที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดแต่เห็นตามความเป็นจริงหมดเลยไม่ได้เห็นดูความเป็นอัตตาตัวตนเลยนะเห็นด้วยความเป็นกระแสะของชีวิตที่มันไหลสืบต่อกันมาตามลําดับและรูปที่เป็นไปณนปะัจจุบันเนี่ย ก็ไหลกําลังเกิดขึ้นสืบต่อไปและที่จะเป็นไปในอนาคตทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกรูปผู้คนอื่นแล้วรูปพุทธเองเนี่ยนะทั้งที่หยาบรูปแบบหยาบๆละเอียดยิบเข้าไปดังนั้นทั้งรูปที่ไกลและใกล้เนี่ยตามความเป็นจริงว่าเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปเนี้ยไม่ใช่ของเรารูปนี้ไม่ใช่เรารูปนี้ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรามไม่ใช่ของเราใช่ไหมถ้ามันใช่ของเรา เราจะจัดการกับมันยังไงก็ได้หรือถ้ามันเป็นเราเนี่ยเราก็สบายดีก็คอยคอนโทรลบังคับฟดีหรือมันเป็นตัวตนมันเป็นตัวตนจริงมันไม่ใช่มันก็เป็นเพียงสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นสืบดับเกิดติดต่อกันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะถ้าไปให้เหตุแห่งสุขเกิดขึ้นกระแสความสุขมันเกิดเหตุแห่งทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งหมดเหล่านี้มันเกิดดับสืบต่อกันตลอดสายมันเป็นขึ้นมาอยู่อย่างนี้ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่างละเอียดเลวปราณนีดใกล้ใกล้ก็เห็นชอบด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มิใช่ของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มิใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราทําอย่างนี้แหละสาวกของเราจึงปฏิบัติตามคําสอนทําอย่างนี้แหละสาวกเราจึงเชื่อฟังโอวาท และเพราะเห็นอย่างนี้แหละสาวกของเราจึงหมดความสงสัยสับสนในคำสอนของพระบรมศาสดาและเป็นคนที่เกล้วกลาเข้าถึงกฎของความเป็นจริงนะรู้โลกและชีวิตตามที่มันเป็นไม่เชื่อผู้อื่นอีกต่อไปศาสตราการย์ให้คนก็บอกว่าทำอย่างไรภิกษุจึงจะเป็นพระอรหันต์ถามต่อนะพอพอประเด็นตรงนี้พริยาตอบพวกก็เลยถามพวกว่า เออทำอย่างไรเนาะภิกษุจริงจะเป็นพระทหารสิ้นอาสวะหยุดจบพรอมจารย์ทำกินที่ควรทํำทาเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนสิ้นเครื่องผูกคือพบหลุดพ้นแล้วเพราะตัสรู้โดยชอบพุทธเจ้า ต, ตรัสว่าสาวกของเราในพระธรรมวินัยนี้เห็นเบนจะขันนี่แหละรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วหรือใกล้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาชอบอย่างนี้ว่ารูปนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะ รูปนี้ไม่ใช่เรารูปนี้ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราจึงหลุดพ้นแล้วเพราะไม่ยึดปันถือมันคือชำระกิเลสได้แล้วถอนด้วยกับทั้งรากเลยแล้วเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในยภายนอกจากละเอียดเลวหรือปราณีตไกลหรือใกล้เป็นต้นเนี่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ใช่อัตาตาตัวตนของเราเป็นต้นเนี้แล้วก็ว่า ทำอย่างนี้แหละพิสูจจึงเป็นพรทหารสิ้นอาสวะหยุดจบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วปงลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนสิ้นเครื่องผูกหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิสูจผู้มีจิตดุดพ้นแล้วประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยมสามระการก็คือความเห็นอันยอดเยี่ยมเห็น ไ, ไหมถ้าใครบรรลุแล้วเป็นประทหารหนึ่งจะมีความเห็นที่ยอดเยี่ยมความเห็นของท่านผู้นั้นจะเป็นความเห็นที่เป็นไปกับปัญญาจะไม่มีกิเลสเข้ามาเจือพนจะไม่มีความเหนผิดเข้ามาเกิดขั่วและมีข้อปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมเห็นไหม ปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมไม่มีปฏิบัติเลอะเทอะอีกต่อไปแล้วประการสุดท้ายก็คือหลุดพ้น อ, อันยอดเยี่ยมก็คือได้หลุดพ้นจากกิเลสและคลองทุกอย่างนี้เป็นต้นนะเม <nossas> ื่อจิตหลุดพ้นแล้วเนี่ยย่อมสักการะคารพนับถือบูชาตถาคตว่าพระริจ้าพระ อ, องค์นั้นตรัสรู้สัจจะ4แล้วแสดงธรรมผู้อื่นเนีตรัสรู้ตามทรงฝึกพระ อ, องค์แล้วแสดงธรรมเพื่อให้ผู้อื่นถุกตนด้วยทรงระงับกิเลสแล้วแล้วก็ ทรงแสดงทําให้ผู้อื่นระงับกิเลสเลืกข้ามพ้นจากกิเลสแล้วก็ทรงแสดงทําให้ผู้อื่นข้ามพ้นได้ด้วยดับไฟคือกิเแลสได้แล้วก็แสดงทําเพื่อดับไฟกิเลสให้กับบุคคลอื่นด้วยนี่เข้าถึงผู้ใดคนตรงนี้เมื่อพระเจ้าตรัสอย่างนี้สัจจะนิคนก็ได้ทูลว่าข้าข้าพระเจ้าเป็นคนลบหลู่อวดดียอมแล้วยอมแล้วเข้าใจว่าพระ อ, องค์เนี่ยควรถูกลุกรานวาทะด้วยถ้อยคําของตนอุปมาเหมือนบุรุษพบกับช้างซับมันเนี่ย หรือกองไฟที่ลุกโชนหรืองูพิษที่มีพิษร้ายยังพอจะตัวรอดได้เห่าอนั้นสถานการณที่คนบอกโหถ้าคนไปเจอช้างตกมันเนี่ยหรือไปเจอไฟป่าที่มลุกโพรงมาเนี่ยหรือเจองูพิษเจองูจงอางงูพิษงูเหลือมเนี่ยงูพิษงูจงอางมันแล่นมาหรื อ, อยังพอจะตัวรอดได้ถ้าคนไปเจอสามเฉียงสิ่งนี้นะยังพอตัวรอดบางแต่เมื่อมาพบกับพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครเอาตัวรอดได้เลย ไม่รู้จะหลบไปทางไหนขอพระองค์่พร้อมด้วยพิกสุสองเนี่ยโปรดรับนิมนต์ฉันเนี่ยรับนิมนต์เนี่ยเพื่อฉันในวันรุ้งขึ้นเถิดพระเจ้ากรลับด้วยดุลเสดียภาพลำดับนั้นนะนิครนนาต บ, บุตรเออไม่ใช่สัจจะ น, คนิครนเนี่ยทูลรับพระเจ้าแล้วก็บอกกับเจ้าลิชวีว่าเจ้าลิชวีโปรดฟังข้าพเจ้าหันมาเนี่ยหันมากับเจ้าลิชวีทั้งห้าร้อยข้าพเจ้านิมนต์พระเจ้าพร้อมด้วยพิกสุส อ, อ, สอเนี่ยพเพื่อฉันในวันรุ้งขึ้น วันพรุ่งน well, sure ี้พวกท่านจงนาอาหารที่เห็นนัวควนแกพระพุทธเจ้านะมาให้เราเอามาให้เรานะบอกงั้นเถอะเอามาห้าร้อยสำรับเอามาให้เราส่วนเราจะถวายพระเจ้าสั่งเลยเมื่อนวงลาตีเวลาเจ้าฤทิชวีเหลนั้นกำนําพาหารห้าร้อยสำรับไปให้สัจจานิคนเขาก็จัดอาหารของเคี้ยวอันปานีทั้งหลายเนี่ยในอารามมุ่งตนเองเสร็จแล้วก็ทุนนิมนต์พระเจ้า ฉันพระทหารพอรุ่งเช้าพระธจ้า พ, พร้อมที่ภิกษุ2ก็ไปฉันเนหาเนี่ยนางประทัพุทธะอาดเสร็จแล้วแล้วนีสัจจการนิคนก็นําของเคี้ยวของฉันของคนบริโภค พ, พ, พระเคียนภิกษุ2มีพระธจ้าเป็นประมุขให้ยิม น, ำำานําสํารับลําดับนั้นสัจจการนิคนก็ทราบว่าพระธิดาเนี่ยเสวยเสร็จแล้วเนี่ยล้างผระหัดออกยกผระหัดออกจากวางพระหัดออกจากบาทแล้วจึงก็ ที่นั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลบอกว่าขอผลบุญและบริวารบุญอันใหญ่หลวงในในทานในครั้งนี้จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลายเถิดแก่ทายกทั้งหลายเถิดพระเจ้าตรัสว่าผลบุญและบริวารบุญอันยิ่งใหญ่ในทานนี้อาศัยทักทิในยาบุคคลที่ยังมีราคะยังมีโทสะยังมีโมหะเช่นกับท่านจักมีแก่ทายกทั้งหลาย ส่วนผลบุญและบริวารบุญอันยิ่งใหญ่ในทานนี้อาศัยทักทีในยบุคคลที่สิ้นราคาโทสะโมหะเช่นเราจักมีแก่ท่านเข้าใจไหมบอกเออเนี่ยผลบุญเนี่ยของเจ้าลิศชวีที่นำอาหารห0าร้อยสำรับเนี่ยมาให้แก่ท่านเพราะให้บุคคลที่ไม่เป็นทักทีในยบุคคลยังมีราคาโทสะโมหะอยู่แต่ได้บุญนะให้ ให้บุญแกให้ให้ใหใหใหทาทานแก่คนที่ยังมีราคาโทรศพโมหะอยู่ผลบุญชนิดนี้จะตกแก่เจ้าวิขิี่ห้า0แต่ผลบุญนที่ทานกุศลที่ท่านหรือบุญกุศลที่บริวารบุญทั้งหลาย น, นี้ที่ถวายแก่บุคคลที่สิ้นราคาสิ้นโทรศทสิ้นโมหะเช่นเราและสาวกของเราเป็นต้นน่จะจ ะ, จ ะ, จ ะ, จ ะ, จะปรากฏเกท่านอยงนั้นเด้ เนี่ยตรงนี้ก็เลยเล่าต่อได้เลยว่าเนี่ยผลกุศลประเภทนี้สัจการที่คนเนี่ยตอนนั้นไม่ถึงสารณะคมอะไรเลยนะทำไมพรพุทธเจ้ายังไปโต้ ว, ว่าท่ากัสัจจการที่คนรู้ไหมยอยู่ต่อมาสัจจการที่คนก็เวียนว่ายตายเกิดหลังพระพุทธญาณบริญนิพพานแล้วอีก200กว่าปีสัจจการที่คนมาเกิดในลังกาเทวีนี่คือกำลังกุศลที่ทํามาแล้วก็ถูกพระพุทธเจ้าชําระ ทิถีให้เกลี้ยงเลยเนี่ยนะีแล้วต่อมาศาสตราจารยคนก็มาเกิดในลังกาแล้วโตขึ้นมาทำพระบวชพระบวชมาแล้วต่อมาได้บรรลุปเป็นพระหลานนยุชื่อว่ากาลพุทธลกขิตาเป็นพระภิกษุที่ฉลาดมากสามารถกล่าวพุทธคุณได้อย่างวิจิตเป็นจง ม, มากแล้วได้บรรลุปเป็นพระหลานแล้วสามารถกล่าวพุทธคุณเนี่ย12ชั่วโมงในบรรยายคุณของพระพุทธเจ้าได้ อย่างไพลราะมากเล่นกษัตริย์เ อ, อลังกาในยุคนั้นเน่ยศรัทธาพอฟังแล้วเนี่ยเกิดศรัทธาในพุทธเจ้ามากยกประเทศลังกาถวายเป็นกันเทศถวายเป็นพุทธบูชาเลยขนาดนั้ น, นถวายพื้นแผ่นดินเป็นพุทธบูชาเลยแล้โอยแล้วก็ตอนนั้นไปยืนฟังธรรม ตั้งแต่สัจจ์ตอน อ, อดีตของสัจจการทีคนที่ชื่อการละพุทธ ก, กิตาท่านแสดงคบแสดง6กโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นเหไหมใช่แสดงตั้งแต่หกโงเย็นถึงหกโมงเช้าแสดงธรรมะทั้งคืนพระราชาไปยืนประนมมือฟังไม่กระดิกเลยนะฟังตอนนั้นท่านไม่เห็นว่าพระราชามายืนที่หลังท่านก็แสดงพุทธคุณ ยี่สพิ่ so, าพระวาเมพ่อเหตุนั้นพระิดาพระองค์นั้นเป็นพหลานันลรพระพรลายพุทธคุณเนึ้ให้ทั้งหมดสิบสองชั่วโมงประเทศจบปุ๊บสว่างพอดีหกโมงเช้าพระราชาสาธุสาธุสาธุอสามครั้งท่านก็มหาบาพิษมาตั้งแต่เมื่อไรบอกมาตั้งแต่ท่านเริ่มแสดงทำบอโอ้โหสาธุสาธุาธาธมหาบาพิษทาสิ่งที่ทาได้ยากที่สุด ก็ยืนฟังทำสิบสองชั่วโมงนี่ทำสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดใช่ไหมศาสตร์ก็รายงานท่านบอกว่าโยมไม่ใช่เพียงแค่ ย, ยืนอย่างเดียวนะไม่ใช่ยืนบน อ, บอ้อมอย่างเดียวนะแต่จิตของโยมที่ฟังที่พระคุณเจ้าสแสดงนะไม่เคยหลุดไปจากทางอื่นเลยฟังด้วยสติอย่างติดต่อและต่อเนื่องสิบสอชั่วโมงไม่เคยแวบเคยคิดเรื่องอื่นเลยขนาดฟังแค่นี้ยังใจของโยมยังไม่อิ่มในคุณของพระเจ้าเลย ยังไม่อิ่มในพุทธคุณในคถาเลยพระเถระกษัตรกยาทูรทูบกบอกว่าขอให้พัะเถระจงอุปมาคุณของพระเจ้าให้ยอมได้ฟังด้วท่านก็เลยบอกว่าอุปมาเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งถือเคียวไปในทุ่งข้าวสาลีในโจโบเทวีแล้วก็ใช้เคียวนะ่ตัดเอารวงข้าวสาลีขึ้นมาหนึ่งรวงน ะ, มะเมล็ดข้าวหนึ่งรวงใน ในเมล็ดข้าวหนึ่งรวงนั่นข้าวสาลีที่อยู่ในอยู่ในหนึ่งรวงเมล็ดมีเท่าไหร่นั่นคือคุณของพระเจ้าที่อาตมาแสดงคืนนี้ทั้งคืนแต่เมล็ดข้าวสาลีที่อยู่ในพื้นชมพูทวีปที่ยังไม่ได้ตัดขึ้นมานั่นคือคุณของพระเจ้าที่เหลือที่อาตมายังไม่สามารถไม่มีความสามารถจะมากราบได้ทั้งหมดโอ้โหประสาทนี่กรสาทุกสาทุเขาขอใอุปมายิ่งยิ่งก่อนอีกหน่อยได้ไหม บอกบุรุษคนหนึ่งถือเข็มเล่มหนึ่งเข้าไปที่มาหาสมุทรแล้วก็จุ่มก้นเข็มะลงในมาหาสมุทรน้ําที่รอดรูเข็มน่นที่รอดรูเข็มไปได้เหมือนที่อาตมาแสดงทำสิบสองชั่วโมงแต่น้ําที่เหลือในมาหาสมุทรทั้งหมดนั่นคือคุณของพระเจ้าที่อาตมาไม่มีความสามารถานมามะข่าวให้ลงให้มาบพาาุพพิตฟังนะพภาษาที่กษาาทุสาทุขอให้อุปมาครั้งที่สามยิ่งยิ่งขึ้นไปหน่อยเถอะ ถ้าบอกนกแอนลมที่บินเบืนท้องฟ้าปีกและหางที่ต้องลมนั่นคือคุณของพระเจ้าที่อจตมาสแสดงในคืนนี้12โมงแต่อากาศที่ในจักรวาลทั้งสิ้นนั่นคือคุณของพระเจ้าที่ยังเหลือที่จตมาไม่สามารถนํามาสแสดงโอภ า, าษาจักรวาลยกแผ่นดินถวายเลยบูชาการเทศนี่เห็นไหม ต่อมาด้วยอา น, นิสงส์ที่ฟังอย่างพวกเราเนี่ยฟังอย่างเนี้ยต้องมีอา น, นิสงส์ในการบรรลุไดแ น, น่นนะเข้าใจอย่างใดแน่นในจูรสารสัจจกาสูตรในมหาสัจจกาสูตรเอาไว้วันหนึ่งีแล้ววันเกิเวลาแล้วมีอะไรจะถามไหมมีไหมคนคนงวิ่จายิ่งใหญ่หั้ม